ก็ความในทีคัิกายมหาประธานสูตรที่กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นะพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากัุขสัท้ะพระพุทธเจ้าโกนาครมณะพระพุทธเจ้ากัสสะแล้วก็รวมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วย ในวาระใหญ่ๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในหมวดแรกนั้นกล่าวถึง9วาระใหญ่ด้วยกัน9ก้าวรระใหญ่นั้นประกอบไปด้วยหนึ่งกับว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเมื่อ91ดกับสิกขีเวสภูสาอดกับกากุสันธโกนาคนัมมกัสปะพระพุทธเจ้าของเรานั้นในกลับนี้อันนี้วาระที่หนึ่งวาระที่สอง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 มีชื่ออะไรบ้างประชุมสาวกมีกี่ครั้งพระองค์มีภิกษุรูปใดเป็นพุทธอุปถากและพุทธบิดาพุทธมารดาทั้งหลายวาระใหญ่ๆนั้นจึงมีอยู่ก้าวาระในหน้า8ปดกล่าวว่าจริงอยู่เมื่อบุตรสมควรแก่ตระกูลและวงหนึ่งของพระโพธิสัตว์ทั้งปวงเกิดแล้วควรออกบวชนี้แลเป็นวงนี้เป็นประเพณีหมายคําว่า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 สัตถินทรีย์ในธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่มีแล้วอินทรี่ห้าจะประชมการตรัสรู้ได้อย่างไรเพราะว่าการตรัสรู้ธรรมนั้นไม่สามารถตรัสรู้โดยอินทรี่ใดอินทรีย์หนึ่งข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวไม่ได้จะต้องตรัสรู้ตรัสรู้โดยอินทรีย์ทั้งห้าประการหรือโดยโพชฌงเจ็ประการหรือโดยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันเมื่อไม่มีศรัทธาตั้งกระต้นแล้วการตรัสรู้ก็มีไม่ได้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 เมื่อไม่มีผู้ใดตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่นําออกจากทุกข์ได้จริงนิยานิกธรรมที่พระองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์สอนเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกข์ได้จริงเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติตามเอาใครมาออกจากทุกข์ได้เพฟังพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อว่าผู้ตรัสรูด้ดีพระธรรมก็ไม่เชื่อว่าเป็นธรรมอันดีเพราะฉะนั้นการพูดถึงตระกูลการพูดถึงวงของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอันนี้มีความจําเป็นมาก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 พยายามท่านมีโยนิโสมมาดการท่านมีการใคร้ครวนเพราะฉะนั้นขนาดท่านก็ทําได้และท่านก็เอาวิธีการเหล่านั้นมาสั่งสอนเราเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เมื่อมีการปฏิบัติตามได้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีประโยชน์พระธรรมที่พระองค์สอนก็นําออกจากทุกได้จริงมันพระพุทธเจ้าจึงน่าอัศจรรย์พระธรรมก็น่าอัศจรรย์ผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วตรัสรู้ตามได้ก็ น่าอัศจรรย์เลยนะเพราะฉะนก็การประโยชน์การเกิดขึ้นแห่งประโยชน์ก็มีขึ้นอย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นจึงมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรเมืองเกิดพ่อแม่ญาติพี่นอ้องนะสาวกอะไรทั้งหลายแล้วองค์ประกอบเหล่านี้นะเพื่อให้เกิดศรัทธานั่นเองทีนี้พูดถึงโอรสของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะว่าพร ะ, ะพระโพธิสัตว์เจ็พระองค์เนี่ยนะมีโอรสโอรสของท่านก็มีใครบ้างหนึ่ง สมวัตตขันธะธาอตุละสุ ป, ปะพุทธอุตตระสัทวา ah หะวิชิตเสนะราหุลเป็นที่เจ็ะ น, นะสมะวัตตขันธะนี้ก็เป็นโอรสของพระวิปัสสีอตุละก็เป็นโอรสของพระสิกขีสุ ป, ปะพุทธก็เป็นโอรสของพระเวสสภูอุตระก็เป็นโอรสของพระพุทธเจ้ากกูสันทะสัทวาหะก็เป็นโอรสของ พระโกนาคมณะวิชิตเสนะก็เป็นโอรสของพระกัสสปะพระราหุลเป็นโอรสของพระโพธิสัตว์ของเราในบรรดาบุตรเหล่านั้นเมื่อเจ้าชายราหุลประสูดพวกราชบุรุษก็ น, นําหนังสือเนี่ยหนังสือแจ้งข่าวหนังสือบอกข่าวมาวางไว้บนพระหัตของพระมหาบุรุษครั้งนั้น ความเิเนหาเสเนหาโดยสัพแปล ว, ว่าความเยื่อใยความอ า, ายัยอาวรณ์อย่างเหนียวเนี่ยนะฉันธราคะเนี่ยเกิดขึ้นในพระโอรสไอ้ตันหาฉันธราคะอันนี้นี่แหละที่ทำให้ร่างกายทุกส่วนของพระมหาบุรุษนี้ทราบสัน้นนะเขบอกว่าตันหาที่เกิดพร้อมกับปีติเนี่ยนะตันหาอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ทราบสัน้นเหมือนกับว่าปราบเริ่ม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 เป็นภริยาของพระมหาบุรุษวิปัสสีพระนางสัพพก า, ามีเป็นภริยานะเป็นมเหสีของนะพระมหาบุรุษสิกขีพระนางสุจิตตาก็เป็นมเหสีของพร ะ, รพร ะ, พระเวสภูพระนางโรจินีเนี่ยนะก็เป็นมเหสีของพระกากุสันทะพระนางรุ จ, ร จ, จติณีเนี่ยนะก็เป็นมเหสีของพระโกนาคมณนะ พระนางสุนันทาเป็นมเหสีของพระกัสปะพระนางพิมพาเป็นองค์ที่เจมเหสีของพระสิท ธ, ธัตถะเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อพระนางพิมพาเทวีนั้นเมื่อราหุนกุมารประสูติก็ได้ปรากฏชื่อว่าราหุนมารดาหลังจากนั้นจะไม่เรียกว่าพระนางยโสธราพิมพาแต่เรียกว่าราหุนมารดาก็คือแม่ของพระราหุลเนี่ยนะนี่เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดพระยา ให้เป็นเหตุให้รู้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีลูกพระโพธิสัตว์ท่านก็มีภรรยาแต่ท่านก็ตัดตันหาตัดฉันตราคาละอกุศสลธรรมทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนยานเนี่ยนะยานก็คือยานพาณะที่นาเอาไปบวชเนี่ยนะขณะที่ออกบวชพระโพธิสัตว์สอ ง, ององค์คือพระวิปัสสีเมื่อ9กกับและกากุสันทะ ต้นกลับเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสองพระองค์นี้เสด็จขึ้นรถเทียมด้วยม้าอาชาในเสด็จออกมหาพิเนสกรงตอนออกบวชนี้ขึ้นรถม้าออกบวชเหมือนกันพระโพธิสัตว์สององค์คือพระสิขีและพระโกนาคมะนะประทับบนคอช้างตัวประเสริฐออกพนวดนะขี่ช้างไปบวช่ะนะส่วนพระเวสสภูโพธิสัตว์ประทับนั่งบนวอทองออกบวชพระกัสปะนั้นนั่งบนพื้นปราศาส หมายเขาว่าอยู่บนปร า, าสาทแล้วเจริญฌานเจริญอานาปานสติเนี่ยนะจนได้จตุตรฌานให้เกิดออกจากฌานและกระทําฌานให้เป็นบาทอธิษฐานว่าปร า, าสาทของเราจงไปยังโพที่มัณฑสถานหรือว่าปร า, าสาทนี่ลอยไปที่โพที่มณฑ น, นก็เรียกว่าขี่ปร า, าสาท น, นะขี่บ้านออกบวชเลยมั้งปร า, าสาทก็ไปทางอากาศแล้วอย่างลงนะใกล้ๆโพที่มณฑ น, นเนี่ยนะใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าทุกองตัสรู้ พระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์ขออภัยพระกัสสปะโพธิสัตว์เนี่ยนะลงจากปราสาทนั้นแล้วประทับนั่งบนพื้นทรงอธิษฐานว่าปราสาทจงไปตั้งอยู่ณที่เดิมเสร็จแล้วปราสาทนั้นก็กลับไปตั้งอยู่ที่เดิมแม้พระมหาบุรุษก็ประกอบความเพียรรวบรวมโพธิปักจัยธรรมตลอดเจ็ดวันประทับนั่งณโพธิบาลังก็ได้ตรัสรู้พระสัพัญยุตยานี่นะเป็นพระพุทธเจ้าในวันที่เจ็ดหลังจาก บำเพ็ญเพียรรวบรวมพุทรวบรวมคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการละนิวรห้านะการละนิวรห้าที่ทำจิตให้ทุรพลเจริญโทษชงเจ็ดนะเพราว่ามีสติดำรงมั่นในสติปัฏฐานสี่เจริญโทษชงเจ็ดก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้สำหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะนะประทับบนม้ากันตะกะออกผนวดอันนี้เกี่ยวกับเรื่องยาน ก็ทีมขี่มาออกบวชนั่นเอง